อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ273 1ิหนึ่งภิกษุใช้ให้ผู้อื่นให้ไม่ได้ให้เองสองภิกษุวางให้สามภิกษุให้ของไร้ทาภายนอกสี่ภิกษุวิกลจริตห้าภิกษุต้นบัญญัติอจเจลกัสิขาบทที่หนึ่งจบ